กตสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ค่ะรายการสัมมนาสนทนานะคะเราก็สนทนากันกับทางโลกวันนี้ท่านภิบูรณ์อยากเดี๋ยว เดี๋ยวเราไปๆคนที่คอยฟังว่าอยากจะฟังอะไรวิธีการปฏิบัติอยากจะกราบนมัสการค่ะเจริญพานค่ะวันค่ะเอ่อพูดถึงเรื่องการปฏิบัติ นั่งคู้ขาอย่างนี้อย่างเดียวหรือว่าอยู่ในรูปแบบของการเดินอย่างเดียวและซึ่งการปฏิบัติที่เรียกว่าไร้รูปแบบเนี่ยมันเกิดๆอยู่เป็น ในยูเดอิรีบอทเค้าเรียกว่าการเดินซึ่งก็เลยอยากจะพูดว่าเอ่อๆคนก็จะจะๆเหล่านี้แต่ซึ่งก็ต้อง หมายถึงการเดินกลับไปกลับมานะการเดินกลับทางกี่ก้าวกี่ก้าวเนี่ยที่ให้เราเปิดกว้างว่า เออแล้วก็เรื่องของการทําจิตนี้ก็สําคัญ จิตของเราเนี่ยอยู่ที่ลมหายใจนั่นก็คือเหมือนกับเวลาเราฝึกปฏิบัติอานาปานสติธรรมดานี่แหละแล้วก็ให้จิตเรามา ปกติธรรมดาเราเดินไปโรงอาหารเดินไปกินแล้วคําเอ๊ะทําไมจะต้องเดินค่ะซึ่งมันมีข้อดี การมีสติๆอือนะคะซึ่งการเดินเนี่ยก็ถือว่าเนี่ยมัน ต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าเอ่อตอนเราแต่การเดินจงกรมนะคือการปฏิบัติด้วยค่ะเพราะฉะนั้น โดยการเดินอย่างมีสติเพราะบางทีเราอาจจะเดินออกกําลังกายก็ลักษณะที่เดินสติถูกต้องถูกต้องแต่แตกต่างจากการเดิน ค่ะการกําหนดไม้เด่นกลับมาในมี 5 ข้ออันอย่างหลวงพ่อวิริยังอย่างอายุ 90 กว่าละแต่ท่านก็เดินจงกรมทุกใช่ อันนี้คือ 1 อันนิสงมัน 5 อย่างนั้น 1 คือทําให้อาหารที่กินเนี่ยมันย่อยง่าย 2 ทําให้เป็นคนที่<ใช><นะ S> 2 ท่านนี้แล้วก็อ่า สมาธิที่ได้ในขณะแห่งการเดินเนี่ยตั้งอยู่ได้ 5 ข้อนี้แหละแล้วก็เป็นการออกกําลังกายรูปแบบหนึ่งของพระสงฆ์ด้วยนะนะพระสงฆ์เนี่ย เอ่อที่ไม่หรือการว่ายน้ําอันนี้เป็นวินัยแต่เป็นวินัยว่าไม่ได้อุ้ยขออภัยเป็นเป็นเรื่องของวินัยที่ไม่ได้ไปว่ายน้ําเล่นออกกําลังกายนี่ นะคะเพราะฉะนั้นอ่าท่านไพบูรณ์พยานจะให้เราเข้าใจประโยชน์เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ยกตัวอย่างบุคคลาเอ่อกับท่านตอน 90 กว่าแล้วเนี่ยๆแล้วท่านต้องมีสติ ผู้ที่อยู่ในวัยนั้นจะทําได้อยากจะให้ท่านได้พูดต่อนะคะถึงเรื่องการจงกรมเอ่อก็มีที่จะเพิ่มเติม เนี่ยคือลู่เนี่ยบางคนก็จะต้องดูที่แนวทางของ บ้างบางของครูบาอาจารย์บ้างเนี่ยที่พูดถึงทิศทางเนี่ยหน้าหนาวต้องเดินทิศร้อนเดินทิศนี้นะเหมือนกับเอ่อช่วงดูหนาเปิดหน้าต่างอันนี้ฤดูร้อนปิดหน้าต่างทิศ แต่ทําอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเตือนนิดนึงว่าบางๆเนี่ยมันมากไหนเพราะเราเดินอยู่เราไม่กว่าในขณะที่ ถึงเปรียบเทียบกับการนั่งเนี่ยพัดสะของการเดินเนี่ยมันมากกว่าแน่นะทั้งขาทั้ง นะในขณะที่คนที่เดินเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่ภาษามันค่ะทีนี้ ปกติอยู่ที่เท้าอืมแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะอย่างดิฉันฝึกเดินเนี่ยดิฉันก็มีอืมเอ่อถ้าเรารู้ มีอยู่ที่ลมหายใจในปลอดภัยค่ะจะไม่พรรณกันเมื่อสมาธิใช่อันนี้ดังนั้นโดย อันนี้เราควรจะมีสติอยู่กับการเดินอัน เอ่อระยะเวลาที่ควรจะใช้กับการเดินจงกรมในแต่ละครั้งมีมั้ยคะครูอืมๆวันนี้ผู้บริชากับก็พูดถึงว่า อาจเพราะอาจจะลืมตาด้วยพบกับผัดสะได้ง่ายเพราะอาจจะลืมตาด้วยหลับตาเดิน มันมันมันอ่ะก็ก็ 2-3 ครั้งก็ไม่เวิร์คก็เลยอืมแต่ลืมตาดีกว่า 5-10 องศาจากเอ่อ การจะเป็นเป็นสูตรจากพระสูตรเอ่อมันจะใช้อ่ะนะว่า 5-10 องศาเอ่อ อืมค่ะแล้วต้นภาวนาอะไรมั้ยคะก็มีสติอยู่กับ นั่งกับสลับกันกับเดินอยู่แล้วกับสลับกันกับเดินอยู่แล้วจะได้เป็นการเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยก็ๆครั้งเวลาท่านสอนเนี่ยท่าน <นะคะ, S 1> อ่าการปฏิบัติธรรมที่ท่านสอนอยู่เนี่ยสอนค่ะนั่งนาน นัสการค่ะเจบาตทั้งฝั่งที่ครบคาละนี่ก็เป็น 106 คือ urdhamna.com นะคะซึ่งที่นั่นเนี่ยจะเป็นที่ที่ท่านอินเดียที่สังเวชนียสถานของพระพุทธองค์ ฉันเชื่อว่าคงจะมีหลายคนนะคะเชื่อว่าคงจะมีหลาย FM 106 นะคะคะวัน